เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เพนเดี๋ยวก็ปีใหม่มันก็ผัดเปลี่ยนกันอูอย่างนี้แหละแต่วันคืนเดือนปีก็ผัดเปลี่ยนแต่ชีวิตของเราผัดเปลี่ยนเราว่าคำว่าชีวิตของเราผัดเปลี่ยนเนี่ยพูดแบบผิวเผินนะก็เหมือนกับมันผ่านไปผ่านไปธรรมดาแต่พอมันพราะความแก่เนี่ยดูๆแล้วมันแก่ไปเรื่อยๆ เ, เราก็เลยไม่ะเทรินใจ ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ไปเรื่อยเื่อยจนเราไม่ได้สำนึกสำเนือกมันมางั้นเถอะเหมือนกับตาของเร า, ห เ, ราเหมือนกันหูของเราเหมือนกันเห็นได้ชัดชัดก็คือตาของเราเราเคยชินกับตาของเรามาตั้งแต่นมนานแล้วก็เคยใช้มันโมจูอย่างเนี้ยแต่ทีนี้พอไปหาหมอตาเนี่ยเขาเปลี่ยน เลนตาให้ใหม่โอ้โหรู้สึกว่ามันสีอะไรมันดำเขียวไปหมดอ่านหนังสือก็สีดำหมึกก็สีดำแต่ก่อนมันเจือญจางพราะเราเคยใช้มันมาจนนมนานเราก็เลยไม่ได้สังเกตมันเพราะมันมันเคยชินกับการใช้สายตาแต่ตามไม่จริงตามมาตรฐานของสายตานั้นมันจะต้องดีกว่านี้แต่นี้ เราเคยชินกับมันพอมาเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาเราจึงรู้สึกว่าโอโหตาของเราดีหรือใ ส, วาสาแว่นตาเข้าไปโอโหตาของเรานี่รู้สึกมันความสว่างนั้นเป็นอย่างนี้เองนี่แหละคือความแก่เราไม่ได้สังเกตมันแก่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหมือนกันอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนความเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายแก่หมด แต่เราไม่ได้สังเกตมันก็เลยเคยชินกับมันเพราะมันอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้จะทํำยังไงแต่พอมาถึงความตายเท่านั้นนะถึงจะแก่ขนาดไหนก็ตามสะดุ่งเรื่อเลยสินี่เพราะใครๆก็ไม่อยากตายถึงจะแก่แล้วก็ไม่อยากจะตายพอถึงกว่าตายแลยนะข่าวนี่น่ะโอ้โหเป็นเรื่องสะเทือนใจของผู้ป่วยอย่างแรงที่สุดเลย แต่ว่าความแก่เนี่ยไม่ค่อยสะเทือนคิดขึ้นมาโอ้เราแกา่ไม่เหมือนแต่ก่อนคิดแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้สะเทือนมากแต่พอมาถึงความตายเนี่ยเก็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเนี่ยใจห่อเหี่ยวเข้ามาไดยเราตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอยากเคยถามยมพ่อยมพ่อยมพ่อ กลัวตายไหมท่านอายุเก้าสิบกว่าท่านบอกไว้เรื่องความตายเนี่ยคท่านนึกนึกดูแล้วก็กลัวอยู่แต่ว่ากลัวที่ตอนที่สุดที่ว่ากลัวที่ว่าใจจะขาดท่านนะเางั้นเหมือนเราเดินเดินเดินไปไปเจอหน้าผาชันชันหรือว่าเจอเหวหน้าเหวนะ่ที่มันชันชไม่มีทางไป แล้วจะให้ตัวเองกระโดดเนี่ยมันไม่กล้ากระโดดนะท่านวานนะเนี่ยต้องผู้อื่นต้องผกกลักหรืองั้นเถอะแต่ผลักแล้นะมันจําเป็นมันก็ต้องทอํายังไงมันลงแล้วความตายก็ลักษณะนั้นแหละทั้งนั้นกลัวไม่กลัวให้กระโดดเองไม่กล้ากระโดดแต่มันตายอลไรไม่รู้จะทํายังไงมันก็ต้องตายอันนี้ท่านยมพ่อเปรียบเทียบให้ฟังทั้งที่อายุท่านเก้าสิบแล้วนะเราทําเออมาพียารณาทบทวนดู ที่ท่านพูดมาคื อ, อมันเป็นความจริงอย่างที่ท่านพูดใครว่าไม่กลัวตายไม่มีหรอกกลัวทุกคนเบ้นเสียแต่ว่าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลแล้วอันนั้นอีกส่วนหนึ่งท่านพิจนารณาแล้วทบทวนดีแล้วท่านก็เดินอกจากร่างกายแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้วิตกกังวล เพราะว่าอันนี้เป็นพระเวปันจักขันธาเหมือนกับเราเกาะล่างหมาเน่าอยู่ในทะเลนั่นวักป๋อมวักป๋อมวักป๋อมลอยไปอยู่พอมาถึงฝั่งแล้วเราจะเป็นห่วงซากหมาเน่าไหมคงไม่มีใครที่จะห่วงซากหมาเน่าเพราะมันถึงฝั่งแล้วรีบรีบกระโดดขึ้นฝั่ง อันนี้ก็เหมือนกันถ้างว่าพระรหันต์ที่ท่านอยู่กับตายอันนี้เนี่ยเหมือนกับอยู่กับซากหมาเนา่าจะต้องทนุถนอมบํารุงรักษาพาขับพาถ่ายพาอยู่พากินพาเคลื่อนพาไว้อะไรทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะออกนอกลู่นอกทางเป็นภาระอันหนะักเนี่ยท่านจึงพูดเป็น สับเป็นแสงขึ้นว่าพาราเวปัญจขันธ์ฐาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเพราะท่นจะต้องแบตจะต้องดูแลจะต้องบำรุงรักษาขันธ์นี้เหมือนกับกศพอยู่กลางน้ำอย่างนั้นจะต้องเกาะเพื่อจะให้ถึงฝั่งเพื่อจะให้ถึงจุดจบเมื่อภาระถึงที่แล้วท่านก็ปล่อยวางท่านจะห่วงไหมท่านเสียดายไหม ท่านไม่เสียดายอันนั้นคือจิตของพระหันความบริสุทธิ์ของพระหันเจ่าจิตก็ใช่เว่าความบริสุทธิ์ของท่านก็ใช่ไม่มีความเยื่อยใยในธาตุข่านนี้แล้วคือทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำํำแปลว่าทิ้งซากศพแล้วก็ขึ้นรถประดับด้วยทองคำํำลักษณะอย่างนั้นท่านจึงไม่ห่วงไม่อะไรแต่บรรดาพวกเราท่านทั้งหลาย ประตูชนทั้งหลายนี่เมื่อออกจากร่างกายอันนี้แล้วจะไปที่ไหนถ้าไปเกาะศพหมามันก็ยังดีอาจจะไปเกาะก้อนหินนี่สิทิ้งตุมลงไปในน้ำํำนอจะเกาะแหลงก็แล้วมันจะจมน้ําจะทํำยังไงเลยมันจะจมไปทางไหนก็ไม่รู้มันจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปทางไหนก็ไม่รู้อขอนไม้จะจมแหล่ไม่จมแหล่ะ บางทีตายลงไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตอย่างเนี้ยเพราะความไม่มั่นใจของเรามีอยู่แล้วเพราะความประพฤติของเรากายวาจาของเราเราไม่เด็ดเตรียมพร้อมอยู่แล้วเราไม่มั่นใจในตัวของเราเพราะฉนั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็ต้องเลยคิดหนะักว่าเราจะไปที่ไหนอันนี้แหละเป็นความทุกข์ ในใจของปุถุชนทั้งหลายเพราะดั น, น, นท่านจงให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเองเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าอย่างน้อยเมื่อใจจะขาดลอยออกจากร่างกายเมื่อจะแยกออกจากร่างกายเราก็จะได้มั่นใจว่า เราได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลได้รักษาศีลภาวนามากพอสมควรในอัตภาพนี้ไม่เสียท่าเสียทีไม่ขาดบุญสูดทรัพย์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าถ้าว่าเราไม่ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วใครในโลกนี้จะไปได้ ต้องมั่นใจถึงขนาดนั้นน่ะจึงจะไม่กลัวตายว่างั้นแต่ถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจขนาดนั้นเลยยังหวาดระแวงยังเสียวหน้าเสียวหลังอยู่เลยเพราะนั้นพวกเราควรจะพยายามทําคุณงามความดีให้ได้อย่างที่ว่านั่นน่ะจึงจะมีความสุขทางจิตใจพอถึงยังไงยังไงพวกเราก็จะต้องพัดพากจากพวกนี้แน่นอน อย่ไปหลุ่มไปหลงไปมัวไปเมามากจนเกินไปมาถึงระดับหนึ่งก็ควรจะปล่อยจะวางปลงบ้างในเมื่อเรายังเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอันนั้นเราก็ต้องสู้หนึ่งระดับหนึ่งตโมตมะปรายโนแปลว่ามันมืดทั้ง ทำมาหาเลี้ยงชีพทั้งศีลและธรรมไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่ว่าจะทำยังไงจึงจะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อ ง, เ ล, งอเลี้ยงครอบเลี้ยงคัวของเราให้ทะลุปลูกโลงไปได้ให้มีความสุขเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนพละเมืองในถิน่นนั้นๆอันนี้แปลว่าการของชีพของเราไม่ได้คิดอะไรเรียกว่าตมโมตมะแปลว่ามืดบอดกับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าว่าตะโมตะมะปรายโนตโมตะมะมืดมาแล้วก็มืดไปเท่าแก่ชราแล้วก็ยังงมอยู่อย่างนั้นอันนี้เพราะว่ามืดมาแล้วก็มืดไปไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยตายแบบมืดมาแบบมืดไปแบบมืดไม่ดีแต่สมัยเมื่อเราเป็นหนุ่มเราคลุกครีหรือว่าเราทําการงานแบบหนักแต่เมื่อเราสูงอายุมีอายุขึ้นมา เราควรจะปล่อยวางสิ่เหล่านั้นหันหน้าต่อศีลธรรมปฏิบัติหนังสมาธิภาวนารักษาศีลหาหนทางของตัวเองหาแสงสว่างเข้ามาสู่จิตใจเรียกว่าโชติปรายโนอันดับแรกคือสมัยเราเป็นหนุ่มเรามืดมาก่อนตโมตมะปรายโนโชติแปลว่าช่วดช่วงสว่างเมื่อบัดปลายชีวิตอันนี้ถูกต้อง ถูกทานองคลองธรรมถูกตามประเพณีแต่ถ้าหาว่าเราสว่างมาโชติปรายโนโชติอันนี้อ น, นิหาได้ยากเว้นเสียจะเป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วมาเกิดเพื่อเอาชาติเอาภพของตัวเองสาชาติเจชาตินั่นหนึ่งชาติสามชาติเจดชาติอันนั้นคงจะมาแบบโชติปรายโนโชติ สว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่โดยมากมนุษย์ชาติของเรามีแต่โดยมากเกิดมาแล้วก็ตะโมตมะเกือบทั้งนั้นอะตมโมตมะปรายโนแต่ว่าเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติศึกษาแนวทางที่ครูบาอาจารย์ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้พวกเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติมาไขควรไตรตรองดูเหตุและผล จากนั้นเราก็วางตัวแล้วก็ทำใจกายวาจาของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องคือศีลธรรมอันนี้ว่าโชติภรายโนมืดมาสว่างไปถ้าว่ามืดมาแล้วมืดไปอันนั้นไม่ดีถ้าว่าบางคนสว่างมาแล้วมืดไปอันนั้นยิ่งไม่ดีใหญ่ คือเบื้องต้นเราเป็นคนดีได้รับการอบรมจากพอ่อจากแม่แต่เด็กแต่เล็กรู้จักศีลรู้จักธรรมเพราะพ่อแม่แนะนำสั่งสอนจนเป็นหนุ่มเป็นสาวพออายุใหญ่ขึ้นมามีครอบมีครวัวบั้นปลายของชีวิตลุ่มหลงมัมวเมากับอบา ย, ยมุขความชั่วเสียหาย อันไหนเป็นความชั่วชอบทั้งนั้นเลยอันนี้แปลว่าโชติปรายโนโตโมตมะสว่างมาแต่มืดไปอันนี้ไม่ดีอันที่หนึ่งตโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปอันที่สองเนี่ยมืดแต่สว่างปลายปลายมืดอันนี้ดีดีอยู่บ้างเพราะงั้นแตแต่ถ้าว่า สว่างมาแล้วมืดไปอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่เป็นพุท ธ, ธมามะกะพุท ธ, ธบริษัทก็ควรจะสําเนียรไว้ในใจเสมอเราเนี่ยเป็นยังไงมืดมาแล้วมืดไปหรือสว่างมาแล้วมืดไปเนีถ้าว่าพวกเราหนักไปในทางโลกอบายยมุกต่างๆ ขาดศีลธรรมขี้เกียจไหวพระสวดมนต์ขี้เกียจ ร, รักษาศีลภาวนาแต่ละวีดแต่ละวันมีตั้งแต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้นสนใจธรมธรมะธรรมโมมีต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีทต่กินเหล้าเมายาอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่ามืดไปแล้วนะไปสู่ทางที่ไม่ดีแล้วเพราะนั้นพวกเราควรจะสว่างไปควรจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มั่นใจในความ เป็นอยู่ของตนเองกายวาจายของเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วถึงจะใจขาดไปแล้วก็มั่นใจว่าถ้าพติอย่างตัวของเราแล้วไม่ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วใครวะในโลกนี้จะได้ไปจะได้เกิดเป็นมนุษยนะ์ต้องมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นจะอยู่ในเมืองมนุษย์แลจะตายไปจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจมีหลัก แต่ถ้าว่าจิตใจไม่มีหลักจิตใจจะว้าเวอ้างว้างเลยเคียงคว้างหาที่เกาะหาที่ยึดเมื่อเท่าแก่ชรามายิ่งเควืงคว้างใหญ่อยากจะให้ลูกให้หลานมารุ่มมาตุมมาหุ้มมาล้อมเพราะความว้าเวของตนเองดังนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราควรจะศึกษาธรรมะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็พุโทโธพุธโทโธในจิตในใจสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล จิตใจเยือกเย็นจิตใจมีความสุขแล้วถึงจะคนมาใกล้ก็ไม่อยากจะหให้มาใกล้จะเลยซ้ําไปมันจุ่งเยิงวุ่นวายมาพูดมาทําความรำคาญามีแต่เดยนึกพุโทโธในใจจิตใจเย็นสบายมีความสุขนะใจเยือกใจเย็นใจมีความสุขแล้ว น, นั่นแหละ เ, เป็นหลักเป็นที่ถูกต้อง เ, อเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าที่